وَلَأُقَطِعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُ لَكُمْ من, مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْرِ วَาَะ ت ع ل م ن ّ أيونا أشد عذابه وأبقا ว่ ا أ و ن ا َ ش د ع, ع ا و ا ทَาْทั้งหลายท่านทَ้งَลายท่านทั้งหลายท นุศรักะลามะจ๊ะอะนามะ ا ๊ะอะนามิ้ ن ا ัลเบญนัตวะลลัติฟัตตาร์นามิ้นอัลเ ฟ้ากั ا أ ีมาอัอต ق กบ ه حياة الدنيا อินนัมัตั حياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا. ما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقا وال وأ إنّه ما يأتي ربه م ذ م ّ ا إنّه ما يأتي ربه فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا ي م ُ و ت ُ فِيهَا، فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا ي م ُ و ت ُ فِيهَا، لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا. ب ِ ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م إِنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيَّأَةِ أ َ ع ْ م َ ل ِ ن َ ا مَن ي َ ه ْ د ِ ه ِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّهُ وَمَن يُضْلِلَ فَلَا ه َ ا د ِ ي َ ه َ ه ُ و ا أَلاَ َُّ و َ ح ْ د لَا ش ر ِ ل َ ه ه َ د ُ ال um nah l a, a, a h <c oughs> u m ا a bika a s ك a h n a wa b i k ن a m s a ب n a wa bika nahiya wa b أعوذ بِكَ لِمَاتِ اللَّهِ ت َ م َ ا ِ مِن شَرِّ مَا خ َ ل َ ق بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا ي َ ض ُ ر ُ م َ ع ا ص م ِ ه ِ ش َ ي ٌْ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي ا ل س َّ م َ ا ء ا ِ وَهُوَ سَمِيعٌ ع َ ل ِ ي م รั ي ีต الله ر ب ا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسولا اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعداب في القبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พ <c oughs> ี่น้องที่ร่วมนมา ที่รักทั้งหลายครับอรัิญละควันนี้เรามีกอรีนะฮาฟิสมาเป็นอิห ม, ม่ามแล้วก็มานาอ่านคุรานนะครับอดีตก็เป็นครูสอนคุรานฮาฟิสที่โรงเรียนสาธุรประธรรมแล้วก็ไปนิกะแต่งงานที่บันป่าลล เ, เลยลืมของเทนตเลยแต่งงานแล้วมันเพลินนะมีลูกมีภรรยา แต่ไม่ลืมล l l a ์ดีอย่าง a l h มด d u l ขอบคุณ Allah Subhanahu wa t a าล a นะครับที่ a l l a ์ให้เรานอนหลับไปเมื่อคืนนี้แล้วก็ให้เราตื่นขึ้นมาด้วยเชาเช้านี่นะนะครับหลังจากตื่นนอนนี่อ่านดุวาว่าไงนะ Alhamdulillahiladhi a h y a n a b a d m a amatanawillahi nushul ทุกคนต้องอ่านหดไม่ว่าจะเป็นตกครูระดับสูงแค่ไหนก็ตามต้องอ่านเพราะนาบีอ่านก็าตามนาบีเชื่อนบีเขาเรียกว่าทาตามสุนัานาบีอย่าลืมนะเล่าไปฟังเพื่อไม่ให้ลืมก็คือว่าใชยตอ น, นี่มันปลูกมันผูกปมมันผูกปมทุกคน ทีนี้ผมของสายตอนี่ยมันจะถูกแก้หรือถูกปลดปล่อยให้หลุดไปด้วยด้คือสุนนของท่านนาบีเท่า น, นั้นแหละด้วยอามันที่ซอแลแลฉะนั้นปมแรกเนี่ยถูกปลดปล่อยก็คืออั <im itation> ลฮามูริลลาฮิลลาีอาฮียานะบัดดมะอามะตนะวาอิลัฮ ah am ินมูชูเพราะอันดูอานี้ปับตาเราก็สว่างหัวใจก็สว่างถ้ารู้ความหมายของมันยิ่งดีใหญ่ ปมที่สองหลุดตอนไปอาบน้ําน้ำมาดเขาเรียกอามันที่ซอนแล้วอาบน้ำน้ำมาดก่อนที่จะมือถูกน้ําอันบิสมิลลาอีกเมื่ออาบน้ำน้ำมาดเสร็จแล้วเนี่ยปมที่สามหลุดตอนมายืนเข้าที่น้ำมาเพื่อน้ำมาดสุนัตสองละกาอัดก่อนน้ำมาดสุบบุต้องพยายามรักษาเพราะนาบีไม่เคยขาดน้มาดสุนัตสองละกากัดก่อนนมาดสุบบุรุษไม่เคยขาดเลย จนกระทั่งตายเห็นยังฉันคนที่ไม่นามาซุบบเนี่ยไซต์ตอนอยู่ในตัวของขาวทั้งวันเลยทีนี้ลงอยู่ใกล้ไซต์ตอนก็อยู่ใกล้ามาลาอิกาไหนดีกว่ากันถามคู่ศรัทธาต่อหรนะครับคนที่อยู่ใกล้กับมาลานะอิกาเนี่ยอิทธิพลมาลาอิกาอยู่ในตัวของเราเนี่ยมันดีที่สุดแหละ มันจะคิดอะไรก็คิดสะอาดจะมองอะไรก็มองภาพสะอาดนะไม่อคติถ้ามีเช้ตอนอยู่เยอะเนี่ยโอ้มองคนเนี่ยเป็นศัตรูหมดเนี่ยนะขอบคุณนลลสุภาณอุราที่เราได้นั่งอ่านอัลกุรอานเนี่ยนี่ยทบทวนคุรอานนะอ่านกุรอานด้วยแล้วก็อธิบายความหมายตรงกับฮะดีสที่บอกว่ามัจจะตามะอก้อามุนฟีใบตินมินบุยูติละ กลุ่มหนึ่งกลุ่มใดก็ตามที่รวมตัวกันที่มัสยิดอ่านอัลกุรอานยัทหรูนกะิตาบล้ออ่านอัลกุรอานวายตาดารอสู้นะแล้วก็ศึกษาหาความรู้จากกุรอานที่เราอ่านสามสี่อายะเนี่ยนะครับรู้ไหมอัลลอฮ์ใ ห, AH ให้ให้สามอย่างหนึ่งให้สากีนะสากีนะหมายถึงความอบอุน่นความสุขความสงบด้านหัวใจ ราะห์มะประการที่2องอลัลลอฮฺจะประทานความเมตตาให้วะกุชียัดวะฮับฟัดอะไลฮิมุลมลาเลกามาเลกาจะเอาปีกเนี่ยมาคลุม3อย่างนะ1นึ่กี้นะ2อราะห์มะสามมาเลกาจะเอาปีกเนี่ยมาคุมพอปีกมาคลุมพับเนี่ยตัดเส้นอธิบายดีนะไม่มีช่องไฮชัยตอนเข้ามาแทรกเลย ใช่ตอนเพนสังเกตเวลารามาลงก่นั่งหลับเป็นแถวเนี่ยรามาลงละเมตตาความเมตตามารามามาหลับหลับเยอะเปินไปแล้อ่านกูอานไม่ออกอันนี้คุยเล่นนะอันทีนี้ถ้าอ่านกูอ่านที่มัสยิดเนี่ย กะทบถูนคุณอานในมัสยิดมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอ์เยอะมากเลยเาดลแล้วแล้วก็อัลลอ์จะเล่าอัลลอ์จะเล่าข้างบนนู้นบอกนี่มาลายิกและบรรดาอัมบียะนบีอยู่ในชั้นฟ้าเนรูปา่าวนบีอาดาอยู่ชั้นฟ้าชั้นที่หนึ่งนบีอิบรอฮมชั้นฟ้าชั้นที่เจ็ดนบีมูซาอิซาอยบุชั้นฟ้าที่หนึ่งที่สองที่สามที่ พออัลลอฮ์เล่าเรื่องของเราอ่ะดูนะมีอุ ม, มาห์ของฉันมีบาฮของอัลลอฮ์กลุมหนึ่งนั่งอยู่ที่มัสยิดอันวาลิสุนะกําลังทบทวนอัลกรุรอานและศึกษาหาความรู้จากอัลกรุรอานเล่าให้บรรดามัลาอิกาฟังนบีทุกคนรับรู้เรื่องของเราหมดเลยอัลลอฮ์ประกาศบนชานฝ้าเหมือนเรามีทีวีเนี่ยประกาศให้ชาวบ้านเนี่ยชาวชาวชาช า, ชาวอะไรนะชาวแผ่นดินเนี่ยจะรับรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้น อย่างนี้เป็นต้นเลยอาจจะนั่นต้องขอบคุณอัลลอฮ์นึกถึงอัลลอฮ์ความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์สุบฮานาบูบะตาลานะครับเพราะว่าคนที่นั่งอา่านอัลกุรอานถือว่าเขาเป็นคนที่ประเสริฐที่สุดล้นะความรู้ถึงจะจบมหาวิไลระดับไหนก็าตามนะนั่นไม่ใช่ระดับสูงสุดความรู้ที่สูงสุดที่สุดที่อัลลอฮ์พอใจก็คือความรู้ที่เอามาจากอัลกุรอาน แล้วก็ความรู้ที่ออกมาจากริฟีป่าของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลอะลัยฮุสันลัมนั่นเป็นก็เรียกว่าเอาลูเป็นความรู้นะครับที่ประเสริฐที่สุดที่ดีที่สุดที่อัลลอฮ์พึงพอใจนะวันนี้เรามาทบทวนคุรานสุรต์ตอฮาอายะที่เจ็ดสิบเอ็ดนะครับเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจดสบนะครับคุราน yang ada pada kini ni, nah, anda berapa nak? Faul qiyas saharatu sudjada, Qaloo aman bi Rabbiharuna wa Musa, faul qiyas saharatu sudjada, ul qiyas saharatu sudjada ni, berapa? อุลกิยาแปลว่าล้มล้มตัวนะครับอัสฮารอกแปลว่านักมายากรสุดยอดกราบอธิบายอย่างนี้ดังนั้นพวกมายากรได้ล้มตัวลงกราบหลังจากอะไรครับหลังจากเห็นไม่ ของนบีมูซาที่โยนลงไปเป็นงูเป็นงูจริงๆนะกลืนงูตัวเล็ก ๆ, ๆ, ๆ, ๆที่อยู่ในสนามเนี่ยไม่รู้ว่ากี่ล้านตัวนี่เชือกด้วยนะครับและไม้ถือด้วยนะครับในกุ ร, นรานบอกว่าวิ่งอ่ามันเลื้อยมั น, ว, น, ม น, นวิ่งเหมือนงูนะครับวิ่งเหมือนงูนะคล้ายๆงูนี่ตับกาแฟคุรานอธิบายอย่างนั้น แต่ในคัมภีร์ไบเบิลว่าไงนะเ ต, ต่าร้อนเนี่ยเป็นงูเลยอ่านไปแล้วจะเชื่ออะไรเชื่อเ ต, ต่าร้อนตัวเชื่อกุณากรุกรุาเพราะว่าคล้ายๆงูวิ่งคล้ายๆล้ายงูแต่ในคัมภีร์เต่าร้อนนะครับรอนะบอกว่าเป็นงูเลยเราเชื่อกุณากรุณาทีนี้พอไม้ของนบีมูซาที่กลายเป็นงูจริงๆเนี่ยนะจรินกลืนหมดเลยเนี่ย บรรดาพวกมายากลทั้งหมดที่มาอยู่ในสนามวันนั้นนะประมาณแ0ด0มืนเอาเยอะที่สุดแล้วก็8แ0ด0มืนคนสุยูตอ่ออัลลอฮ์หมดเลยอะ่ะสุยูตอ่ออัลลอฮ์หมดอลัลลอ์ขนาดไหนนะพวกมายากลเนี่ยตอนเช้าออกมาจากบ้านน่ะเป็นคนปฏิเสธอลัลลอ์เป็นกาเฟสพอมาเห็นการเห็นมุอาจิศาสของนบีมูซาเนี่ย ต่อหน้าประชาชนเป็นล้ๆๆานๆเงินวันนั้นเนี่ยสุยูต่ตออัลลอ์น่ะรวมไปถึงภรรยาของฟาโรด้วยคอยสืบคอยฟังว่าเหตุการณ์วันนี้น่ะใครชนะมูซาชนะหรือฟาโรชนะพอ ร, รู้คราวว่าฟาโรแพ้แล้วเป็นมูซาชนะนางก็สุยูต่ตออัลลอฮ์ด้วยเหมือนกันนะพอนางสุยู่ปับ๊บเนี่ยพองเงยขึ้นมา ว่าไงรู้ไหมก็ลูทุกคนที่สวดนะพองเงือขึ้นมาจากสูดปั๊บเนี่กล่าวว่าไงครับก็ลูพวกเขาทั้งหลายพูดว่าอามานันนาเราอิมาแล้วอลัลลอฮ์เห็นยังครับฉะนั้นท่าสวดในะเป็นท่าเดียวที่อลัลลอฮ์พอใจที่สุดฉะนั้นคนที่เป็นมุสลิมทําให้สูดแล้วไม่เหลือแล้วอิสลามไม่มี ใครที่เป็นมุสลิมและมาดายสุญู ต, ต่ออัลลอฮ์นะม่ได้นามาดนี่นะทำว่าเหลืออะไรไม่เหลือเลยเฉราะนั้นการสูุญูต่ออัลลอฮ์เนี่ยการนามาดห้าเวลาเนี่ยยิ่งใหญ่เหลือเกินเป็นอิบะดาที่ดีที่สุดในบรรดาอิบะ ด, ดาทั้งหมดเพะนั้นการสุยูตร เ, เรื่องใหญ่มากเลยครับ ก่าว่าไงครับอามานันนาเราอีมานแล้วอีมานต่อใครครับบิร บ, บิฮารูนวะมูซาเราอีมานเราศรัทธาในพระผู้อภิบาลของใครของนบีฮารูนและของนบีมูซาอะลัยฮิสลาดพี่น้องนี่เห็นยังครับ คนที่มีอ ي มา ن ต่ออัลลอ์นี่นะครับอพอสู้ยูทปั๊บเนี่ยทีนี้ในตับเสดนะอิบนุกาเซดอธิบายบอกว่าท่านอัครมหเนี่ยได้อธิบายบอกว่าตอนสู้ยุทน่ะเห็นอะไรถึงพวเงยมาเนี่ยอามันนาบิร บ, บิฮารูนะวะมูซาเราเชื่อแล้วว่าอัลลอฮ์ีจริง เป็นพระผู้อภิบาลของมูซาของฮารูนจริงออกมาได้ยังไงพี่น้องโคตรอสูยูดเนี่ยท่านอธิบายบอกว่าอัลลอฮ์ให้เห็นเพื่อไม่เห็นอะไรครับเห็นสวรรค์ซึ่งเป็นที่อยู่ของคนที่อีมานต่ออัลลอฮ์แล้วก็สวรรค์นี่อยู่ในโลกไหนอ่ะในสูยูดในเห็นหมดเลยนะในสวรรค์นั่นอยู่ในโลกอาคเราอไม่ได้อยู่บนโลกดุนยา พอสูอยูนลงไปเนี่ยเห็นหมดเลย Allah. อัลลอฮฺอาบดุลเลาะห์นี่สวรรค์มีจริงเนี่ยนรกก็มีจริงจะอยู่บนโลกไหนโลกอาคิระรอแล้วเราไม่เชื่อว่าโลกอาคิระรอมีนะ่ะเราจะอยู่ในสวรรค์ยังไงเห็นหมดเลยนะ่ะอีม ا ن สามสี่ข้อนี้มาหมดเลยเนื่อง إيمان ต่ออัลลอฮฺมาเลยอีมานต่อโลกอาคิร์รอมาเลยเห็นสวรรค์ น, นรกในโลกอาคิระรอเห็นหมดเลยอะ่ะ แล้วก็เห็นว่าไม่มีอะไรดีเท่ากับนมาดด้วยสุยูต่ออัลลอฮ์เนี่ยเป็นท่าที่ดีที่สุดที่อัลลอ์พอใจที่สุดอัลฮัมดุลิลลอฮ์อัลลอฮ์อัลิง น, นี่คุณอาจอายาเดียวเปน้องเห็นอย่างกันว่าอธิบายยังไงอม م า ن มันเพิ่มจริงๆอ่านคุรอานอายาเดียวนะฟอลกิยาฮารัตุสุจันะครับพวกมายากลทั้งหมดเนี่ยสุยูต่ออัลลอ์ลง ล้มตัวลงไปสูอยูต่ต่ออัลลอฮ์ของเงยขึ้นมาขอรูอัมันนะบิรอบบิฮารูนะวะมูซาฉันอิมาแล้วฉันเชื่อแล้วยอมจานวนต่ออัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์เป็นพระผู้อธิบาลของมูซาและฮารูนจริงและยอมรับว่ามูซาเป็นนบีจริงฮารูนก็เป็นนบีจริงมีคนอธิบายดีตั้ง คนถ้าไม่สูุญูต่ออัลลอฮ์ซะอย่างเดียวนี่นะถ้าไม่สุยูต่ออัลลอฮ์นะถ้าไม่มีอีมานเนี่ยนะถ้าสุยูตอะไรก็ได้ที่ขวางหน้าชิงบ้าสุยูตอะไรก็ได้ที่ขวางหน้าฉะนั้นคนที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์ไม่รู้จักอิสลามไม่รู้จักอัลลอฮ์ไม่รู้จักรสูลไม่รู้จักวันตี亚马เนี่ยนะอะไรก็ได้ที่ขวางหน้าสุยูตหมด เนี่ยอุลมะท่านเนี่ยอธิบายบางทีก็สูญยุตตัวอำนาจของของผู้นําแล้วบางทีก็สูญยุตต่ออะไรนะอาชีพการงานของเขาบางทีสูญยุตให้กับตําแหน่งของเขาบางทีสูญยุนให้กเกียรติยศของขอย่าพวกทานายอ่ะฉันขอสาบานต่อเกียรติยศของฉันเคยยินใช่ไหมถูกหรือเพชรนะเพชร ฉันขอสาบานต่อเกียรติของทนายใช่ไหมผมได้ยินเรื่อยเลยขวางไม่ได้เดี๋ยวมีเรื่องอ้าก็ฟังเฉยๆแล้วกันฉะนั้นเวลาจะสาบานต้องสาบานกับใครฉันขอสาบานต่ออัลลอะ์องเดียวผิดซาบานกุรอานก็ผิด ฉักับสถานต่ออัลลอฮ์องเดียวนี่นะให้พวกมุสลิมเราต้องไปจัดการเรื่องอย่างนี้ใช่ไหมแต่สถาบันต่อกลัวไม่ได้สถาบันต่ออัลลอฮ์อง์เดียวฉะนั้นถ้าไม่รู้จักอัลลอฮ์นะเขากราบได้ทุกอย่างเลยกราบได้ทั้งนั้นแหละบางทีก็กราบรองเท้าตัวเองบางทีก็กราบรถตัวเองบางทีก็กราบดิรฮัมกราบอะไรกราบดีนัดกราบกราบเงินกราบได้หมดอ แล้วพวกเราไม่เห็นน่ะเมื่อก่อนเนี่ยปลาไหลทองประกาศปลาไหลทองไหนแม้ไปสูหญตระ ต, ร ต, รตรอ่องเอา น, น้ํามันอาน้าปลาไหลน่ะมากินนู่นทานนู่นทานนี้นี่ถือว่าเป็นสูหยุดทั้งหมดน่ะเป็นการกราบต่อสิ่งที่อาจาลาห์ห้ามทั้งหมดบางทีกราบต้นกล้วยถือออกไปกราบต้นโอ้โหสักสิบน่ะแล้วพี่น้องเรามุสลิมก็เยอะแยะไปหมดที่ปลูกรายหน้าสองต้นไว้หน้าบ้าน ปูกต้นมายมกับต้นขนุน อ, อ, อัลลออกบาดนี่เป็นการสุยคืออัตโนมัติเลยเชื่อว่าไอ้สองต้นนี้ทำให้บ้านนี้เจริญทำให้คนได้อยู่ในบ้านหลังนี้มีคนนิยมชมชอบสุดชิรีกทั้งหมดฉะนั้นถ้าไม่รู้จักอัลลอยอย่างเดียวนะจิงจบทักก็ไม่กล้อาออกจากบ้านแล้วนกแขกมาแขกตอนกัางคืนฮ่าาาคนตายแล้วอะไร ฉะนั้นทําไม่สูดอยู่ต่อลัลลอฮ์ถ้าไม่รู้จักอลัลลอฮ์อย่างเดียวเนี่ยทุกคนจะทําชีวิตหลายหลายแบบนะครับบางคนก็กราบกราบอะไรนะกราบตำแหน่งกราบอาชีพของเขากราบรองเท้าของเขากราบรถของเขากราบเกียรติยศของเขาที่เขามีดังนี้เป็นต้นนะครับฉะนั้นคนที่พยายามฝึกลูกของเรานะให้อีิมานต่ออัลลอฮ์นะการไม่สูดอยู่ต่อลัลลอฮ์องเดียว และคนเนี่ยนะถ้าไม่สูญอยู่ต่ออัลลอ์นะไปคูซูอยู่สิ่งอื่นเนี่ยรู้ไหมอัลลอฮ์ตำหนิอในคัฟภีร์กุรอานว่าไงฟีกูลูบิฮิมมารอดบหัวใจของคนเหล่านั้นน่ะมีโรคซุรลับะกรฟีกูลูบิฮิมมารอดบหัวใจของคนที่ไม่รู้จักอัลลอ์นั้นเป็นมีโรคชนิดหนึ่ง ฟาซาดหูมุลลอหูมะรอพอมีโรคชนิดนี้แล้วนะอลัลลอฮ์จะเพิ่มอีกหลายๆโรคเข้ามาโดยไม่รู้สึกตัวฉะนั้นพี่น้องมุสลิมทั้งหลายนะครับรู้จักอลัลลอฮ์เรียนสิฟัตอลัลลอฮ์ให้ครบเก้าสิบเก้าพระนามนี่นะเรานะ่นั่งหลับกันก็มีนะแต่อลัลลอ์เนี่ยนอนได้ไม่นอนลาอะไรนะ เซนาตวา้อาลัลลอ์ไม่ง่วงนอนและอลัลลอ์ไม่นอนสูอลนะอลอไงอัลลอฮ์ไม่ง่วงนอนและอลัลลอฮ์ไม่นอนแต่เราเนี่ยเผอไม่ได้หลับอยู่บ้านคนเดียวเห็นหมอนรวดเลย <c oughs> อันนี้เป็นตวเอานี่อายาเดียวนะครับฟัอุลกียัสฮรตุสุจดะกลูอมนาบิรบบิฮารุนฟาโรเนี่ย ทำตัวยยังไง <c oughs> ผมอ่านจากภาษาอุรดูฟนะาโร้นคูดฟ้าโร้เนอัปเนตสวิทย์กินมุจมิประประสุทธิลิเยตักซีมกันเดเตเทผมอ่านผมงงเลยนะฟาโรเนี่ยอัดทำรูปตัวเองทําทปั้นรูปตัวเองแล้วก็แจกให้ประชาชนเอาไว้กราบ ใครทำครับฟาโรโอเลาก็นึกไม่ถึงอัดอัดปั้นปั้นรูปตัวเองนะแล้วก็แจกให้ประชาชนเอาไว้กราบผมอ่านพบเมื่อคืนนี่องค์พรังนี่นั่นไอเรียเหรียญที่เรามีๆก็อยู่วันนี้ก็เดินตามใครเดินตามฟาโรทั้งหมดนะั่นแหละหนาวจะไปแล้วฮิมินาลิปเอาไนพี่น้อง คนที่ไม่เคารพอัลลอ์ไม่รอ cache, <tinc S 2> giving, ไม่รู้จกัก <único> อ <Liberty Overwatch> ัลลอ์นี่นะเป็นคนยังไงนะโรคฟีกูลูบิฮิมมาลดฟาาดฟูมุลลอมารดลอแล้วก็หัวใจของเขามีโรคอัลลอ์ก็จะเพิ่มโรคนะครับเอาต่อมาครับอายาที่เจ็ดสิบเอ็ดกอลอามันตุมละหูกบละอันอาザนละกุม َินนุลกับรุคุมّุ ذيعلمعلم ُ ا ل س ِّ ح ر َ فلاأقطعنأيديكم وأرجلكم منخلاف و ل ا أ ص ل ب َ ن ك م فيجذوعنخر و ل ا ت ع ل م ن أ ي ّ ن ا อาชดดูอาบแะอาบุคอขนี้ต้องการจะอธิบายว่าใครที่เป็นมุสลิมใครที่อีมานต่ออัลลอฮ์ต้องได้รับการลงโทษต้องถูกทรมานต้องถูกแกล้งต้องถูกฆ่าต้องถูกตัดมือตัดเท้าก็จะต้องจับไปขึง ไปตรึงบนต้นอินทรพาลำให้หิวให้ตาจนในที่สุดอาญานี้ใครทาครับฟาโรทมเอ้าดูดูกุรานะกอลอามันตุมละฮูควบละอันอาザนะละกุมฟิรอนกล่าวว่าพวกท่านนี่นะเชื่อมูซา ก็ไดอามันตุมลาหูคนนี้เชื่อมูสหรือก็บราอันอานาะละกุมก่อนที่ฉันจะอนุญาตพวกท่านกันนั้นเลยอัลลอฮฺอั <rooting> อกบตคนที่มีอีมานต่ออัลลอ์หลังจากสูญหยุดเสร็จเงยขึ้นมาเพิ่งรู้ว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างโลกอัลลอม์เเจ้าของเป็นเจ้าของโลกใบนี้อัลลอ์ผู้สร้างชั้นฟ้าแผ่นดินกลางวันกลางคืน นะครับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์คนและสปปรรพสิ่งทั้งหมดพอสู้หยุดเงยขึ้นมารู้หมดเลยเอลัลลอฮ์ให้เห็นหมดแล้วเป็นไงฉันอีมานต่ออลัลลอ์เพราะว่าอย่างนี้ฟาโรเสียหน้าเพราะเมื่อก่อนนี้ประชาชนอย่างน้อยสาม0มืนหพันคนที่ดูแลครอบครัวฟาโรเนี่ยสุ้หยุดกับฟาโรนะแล้วมองฟาโรเนี่เป็นพระเจ้านะแล้วก็มองฟาโร่เป็นผู้ให้ริสกีนะ มองฟาโรห์ว่าให้เป็นให้ตายได้นะอัลลอฮฺอกุบัต์แล้วก็กราบฟาโรห์ทุกวันสุญูต่อฟาโรห์โดยเพราะฟาโรห์แจกอะไรนะรูปชเวตของตัวเองแจกให้กับประชาชนในยุคนูน้นไปเนาะเขาก็กราบกันแต่ที่พอประชาชนที่เคยกราบฟาโรห์เงยขึ้นมาพูดอย่างนี้วันฉันอิมานต่ออัลลอฮฺฟาโรห์เสียนาเลยก็ประกาศว่ากอละอามันตุมละหู คุณจะเชื่อจะเชื่อเชื่อมูซาเลยกอบละอันอาซานาละกุมก่อนที่ฉันจะอนุญาตพวกท่านกันนั่นหรอตัวลราเมืจะจ ะ, จะอิมานต่ออัลลอฮ์เนี่ยจ ะ, จะต้องบอกฟาโรห์ก่อนใช่ไหมต้องบอกไหมอัลลอฮ์เามาื่อวานนี่มีคนมารับอิสลามคนเป็นผู้หญิงมาจากจังหวัดรสะแก้วมีไหมอ่าคุณถามว่ารับทําไมอ่ะจะแต่งงานแบบไหนฉันรับเพื่ออัลลอฮ์ อัลลอฮฺว่าจะทำโดยเรื่องผมรับเพื่ออัลลอฮฺไม่มีอย่างอื่นมาเกี่ยวข้องอจะทำโดยเรื่องไปน้องพ่อแม่นะ่นบางคนพ่อแม่เห็นลูกมาละมิสลนันพ่อแม่ตัดขาดก็มีนะลูกจะไม่กลัวถ้าพ่อจะว่าก็เชิญถ้าแม่จะดา่าไม่ให้ข้าวบ้านก็ไม่ว่าอะไรใช่หไหมนี่ฟาโร่ก็เหมือนกันนี่คุณจะอีมานต่ออัลลอฮฺผ่านมูซาฮารูนโดยแม่ โดนฉันไม่ยังอนุญาตให้คุณกล้าทำมาเอแล้วคุยต่ออีกอินนาหูละกาบิรุกุมแท้จริงมูซาต้องเป็นหัวหน้าของพวกท่านแน่ๆทำไมต้องเอ่ยคำนี้อำนาจมันหมดแล้ว่ะประชาชนที่เคยกราบกราบบูชาเคยเชื่อถือวันนี้หมดไปแล้วครึ่งหนึ่ง อ, อำนาจหัหมดแล้วเลยเอ็งเปลี่ยนหัวหน้าใหม่แล้วเลอ คนหลงดุนยาคนโลกเดียวเขาคิดอยู่สี่เรื่องเท่านั้นแหละยังให้คาสรเรื่องหนึ่งหงเรื่องเงินสองเรื่องตําแหน่งสามเรื่องอะไรนะเกียรติยศชื่อเสียงคนหลงดุนยาไม่มีอาคีรอเลยนะคิดสีเรื่องนี่แหละหนึ่งฉันต้องมีเงินฉันต้องมีชื่อฉันต้องมีเกียรติฉันต้องมีตําแหน่งฉันต้องมีอะไรแต่ไรแค่สี่รายการเนี่ย แล้วก็วนเวียนอยู่ในสี่รายการนี่แหละต้องหาสิ่งรา ย, รายการนี่ให้ได้ถ้าขาดไปรายการหนึ่งนี่นนะโอ้โหเครียดเลยแต่ผู้ศรัทธาต่อรอเครียดไหมไม่เครียดครับเพราะเรามีอาร์คิลที่ดีกว่านี้ตั้งเยอะเอาดูต่อไปครับฟาลาอูกอบเทอานไอเดียกุมนี่ฟาโรคูนะฉันจะอะไรนะฉันจะ ตัดตัดอะไรครับตัดมือของของท่านแล้วก็ตัดจะได้อีกว่าอรยุละกุมฉันจะตัดเท้าตัดมือตัดตีน่่านะตัดมือตัดเท้าอ่ะเป็นการทรมานล้วเป็นไงอีกมินขี้เหลาสลับกัน ว่าอูซลลิบนนานกุมและจะเอาพวกท่านไปแขวนตึงไว้บนกิ่งของต้นอินทรพาลัมให้ตายโดยไม่ให้กินอาหารเลยไม่ให้กินน้ำเดี๋ยวมันก็ตายเองขรทําฝฟาโ ร, ร, รมทมทําทำไมเพราะเองเป็นมุสลิมเพราะเองอิมานต่ออัลลอ์วันนี้ก็เหมือนกันครับชายภาษาใหม่ มุสลิมเป็นผู้ก่อการดีฮะดีหรือไดมุสลิมเป็นผู้ก่อการไายสมัยหนึ่งสมัยก่อนเนี่ยนะเขาเรียกว่าเป็นพวกมายากลเชื่อมูซาเป็นนักมายากรใช่ไหมนี่เหมือนใจเลยครับวันนี้ก็เหมือนกันเดินตามฟาโรโดยไม่รู้สึกตัวก็ได้หรืออ่านคัร์อ่านเปิดดูแล้วก็ปฏิบัติตามฟาโรก็ได้เห็ไหมนะเพื่อทําลายมุสลิม เอาถามว่าเฟ ร, รอูลเฟ ร, รอูลอานาจของอัลลอฮ์กับเฟ ร, รอูลใครใหญ่กว่ากันเอาอานาจของเฟรเฟ ร, รอูลกับอํานาจของอัลลอฮ์น่ะใครใหญ่กว่ากันของอัลลอฮ์ใหญ่สุดอํานาจของฟาโรมีนิดเดียวเองตอนมีอํานาจปกครองแล้ะกดขี่คนฆ่าใครสั่งฆ่าใครได้หมดน่ะอํานาจมีแค่นี้แหละแต่พอทําตายแล้วก็จบไหมจบ หลังตายจัดการอะไรได้ไหมไม่ได้อำนาจของฟาโรห์มีอยู่เล่เดียวจัดการประชาชนที่ไม่เชื่อฟาโรห์นะให้อะไรนะจับอะไรนะจับตัดมือตัดขาสลับกันแล้วก็จับไว้ตึงบนไม้กิ่งของต้นอินทพารามนะครับแค่นี้ละวาละตาลมุนไอยุนาอาชัดอาซาบวะอบกอ และพูดต่อไปอีกนะฟาโรห์พูดย่างไงนะพวกท่านจะได้รู้วัลาตาอัลมุนนะพวกท่านจะรู้แน่ๆอายุนาอาชัดดูอาดาบาวะอับกอผู้ใดในหมู่พวกเราที่จะให้การลงโทษที่สาหัสกว่าและยาวนานกว่าอาชัดด่าอาดาบันแปลว่าการลงโทษที่สาหัสกว่าวะอับบกอและการลงโทษที่ ยาวนานยิ่งกว่านี่ใครพูดนะฟาโรห์พูดเพื่ออะไรนะขู่แต่บางคนว่าท่านทำจริงๆด้วยนะฟาโรห์ทมจริงๆนะจับมุสลิมที่อิมานต่ออัลลอ์ในวันนั้นนแหละตัดมือตัดขาเพื่อจะให้เปลี่ยนความคิดว่าให้มา้าเชื่อว่าฟาโรห์นั้นมีอำนาจใหญ่เท่าัอัลลอฮ์สุภทานะฮุะตาลแต่พวกนี้กลัวเปล่า คนที่อีมานต่อลอลอฟพอเงยสูดญยุตขึ้นมายอมรับว่าอามันตัวผู้นี้กลัวไหมไม่กลัวทําไมไม่กลัว<ม>พี่น้องครับถามว่าทําไมคนที่เคยสูญยุตกับฟารโรเนี่ยยกย่องฟารโรเป็นนู่นเป็นนี้เพราะอีหมานต่อลอลอฟแล้วไม่กลัวแล้วการตัดมือตัดขาตัดคอไม่กลัวเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอํานาจฟารโรมีแค่โลกดุนยา ค่นั้นคนที่ทรยศต่ออัลลอ์เขาถูกลงโทษในโลกอาคีระใครที่ไม่เชื่อฟารโรห์ถูกลงโทษบนดุนยาลงโทษยังไงรูกไมแค่ตายตายแล้วจบไหมจบรวมไปถึงภรรยาฟารโรห์ด้วยภรรยาฟารโรห์นะี่พอรู้ข่าวว่าฟารโรห์แพ้สามีฉันแนพะ้แพ้ใครแ พ, แพ้มูซากับฮารูนมาแก่สองคน พอแพ้ปั๊บเนี่ยนางสูดอยูต่ต่ออัลลอฮ์เลยแล้วกล่าวว่าอามั่นตุฉันอีมานต่ออัลลอฮ์แล้วอีมานต่อพระผู้อัยบานของมูซาและฮารูนเรื่องนี้รู้ข่าวไปถึงฟาโร่พอฟาโร่รู้ข่าวเท่านั้นแหละจับนางมาเลยบอกเลิกนะเปลี่ยนนะเปลี่ยนความคิดใหมนะเชื่ออลัลลอห์ไม่ได้นะเชื่อฉันนางไม่ยอมอ่ะ ฟาโร่ก็สั่งให้ลูกน้องเอาหินมานะครับต้องการที่จะทุ่มให้ภรรยาตัวเองตายพรรยาเนี่ยูชอนท่นานพระยาอัลลอ์แล้วก็อา่อานคู่อ่านนะรอบบิบนิลีอินดากบายตามฟิลจันนะขอถวาต่อลลอเลยโอ้อัลลอ์จะสร้างบ้านหลังหนึ่งให้ฉันอยู่นะคู่กับท่านอยู่กยกยใกล้ๆท่านในสวนสวรรค์ของท่านนะ่ะสร้างบ้านให้ฉันหน่อย วานัตจีนีมินฟิราวนี่ว่าอ า, าร์มาลีแล้วก็ให้สันปลอดภัยจากการเนี่ยจากแผนชั่วหรือ ง, งานชั่วๆ่วของฟาโรวานัตจีนีมินอลวเก้ามีโรลีมิแล้วก็ให้ห่างกายให้คุ้มครองเราไม่ให้ถูกคนที่อาธรรมเนี่ยมาอาธรรมต่อฉันเอา ล, ล้อให้เรา <c oughs> ไรรู้ยให้วิญญาณขอ ง, งานางนี่ออกจากร่างก่อนที่หินจะถูกถูกตัวของนาง นางกลัวเป่านางก็ไม่กลัวน่ะอาฆ่าก็ฆ่าเวลาอีมานมันเข้าไปในหัวใจแล้วเนี่ยนะไม่กลัวอะไรเลยที่เราเห็นภาพนะคนที่ตาย شهيد นะต้องนึกอย่างนี้นะมดกัดเจ็บกว่าคนที่ตาย شهيد ทั้งหมดนะยิ่งปัจนมาเนี่ยมุสลิมถูกฆ่าตายไปเบอร์หมดเนี่ยนะอย่าลืมนะถ้าเขาเนี่ยของเขาสะอาดบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์นะมดกัดเจ็บกว่า เขาต้ไม่กลัวอ้าวเชิญมาเชิญใครจะฆ่าเชิญบางคนบอว่าอาก่อนจะฆ่าฉันออนครนมาคอสองข้ออากาศสุดยุด น, า น, า น, า น, านั่นนะวมเงยขึ้นมาอ้าวเชิญที่นอนครับทำามาใจมันมาแล้วอีหมานมันมาแล้วเรื่องกระจอกทั้งหมดเรื่องการทรมานตัดแขนตัดขาตัดคอเล็กๆ เ, เดี๋ยวพอตัดไปแล้วฉันไปอยู่กับอัลลอฮ์ฉันไปอยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์สุบฮานาหูวาจาแล้ว อย่าลืมในตอนสู่อยู่เนี่ยอัลลอฮ์ให้เห็นที่อยู่ในสวนสวรรค์นะซึงเงยขึ้นมาอามัณนาบิรับบิฮารู้นะเวมูซาฉันอีหมานแล้วต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์มีจริงอัลลอฮ์เป็นเจ้าของโลกใบนี้อัลลอฮ์สร้างชั้นฟ้าแผ่นดินเป็นเจ้าของแต่เพียงพุ่งเดียวหลังจากอีหมานมันฆ่าปในญาวจแล้วไม่กลัวอะไรเลยข้ามดุรินเดอร์เป็น้องนี่อีหมานนะครับอาทีนี้ ข้ออานอธิบายดีนะผู้ที่มีอิมานเนี่ยเขาได้รับความสําเร็จบนดุญญนยาเนี่ยขอสำเร็จถูกรังแกถูกฆ่าตัดมาตัดมือเรื่องเล็กแต่รางวัลที่อลัลลอฮ์นั้นมันยิ่งใหญ่เหลือเกินดังนั้นขุออ่านอธิบายอย่างนี้ฟำ ม, มันซ uh ูฮิฮะอานินาดคนที่มีอีิม า, ออากกนอัลลอฮ์จะการออกจากนรกวาอูดกิลจันนะแล้วก็จะให้พวกเขาเนี่ยเข้าไปอยู่ในสวนสวรรค์ ฟ a q ้ d นเดี a ฟ้าจะเขาได้รับความสาเร็จในชีวิตแล้วไม่ใช่บุนดุญย า, <c oughs> านิยมใช่ไนะมครับเอาต่อมาเขอธิบายตอนอุลลมมาอธิบายคนที่เป็นมุมินเป็นอย่างนี้มุมินปัจจุบันเนี่ยนะพอมีอิมาแล้วนี่นะหนึ่งมุมินมีความรู้สึกไว <c oughs> ไวปบาพวกเรา <c oughs> มีความรู้สึกัวครับ มีแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นตายไปพันหนึ่งมุดรู้แลยโผล่านตัวหาหาหา ห, า, หาอิ ม, มานด้วยก่อนแล้วเสนนินมิครั้งที่แล้วอ๋อตายไปล้านกว่าคนสองสามล้านคนอ๋อทำอยู่เลยเราต้องปรับปรุงตัวเองมีความรู้สึกไว้มุตเมนตื่นตัวตลอดเวลามุตเมนตื่นตัวตลอดเวลานีครับปฏิบายของอุลมามะนะครับต่อมาครับ มุมินจะยกย่องให้เกียรติเครื่องหมายของอัลลอฮ์แต่ยินเสียงอาจารย์ในหูพึงเลยอัลลอฮ์เสียงอาจารมาแล้วมุมินเขาจะกลัวอัลลอฮ์ไม่ว่าจะเป็นที่ลับหรือที่แจ่มมุมินเวลาเขาทาผิดเนี่ยเขามองว่าบาปของเขานันเหมือนภูเขาที่รออยู่บนศีรษาของเขาจะหล่นทับตัวเขาเมื่อไหร่ก็ได้ นั่นมุมินครับส่วนคนที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์เนี่ยนะเวลาเขาทําบาปเนี่ยเหมือนกับมาแรงวันที่บินมาเกาะที่ปลายจมูกแล้วก็สะบัด <c oughs> เดี๋ยวคุูได้ก็ทําต่ออีก <c oughs> นั่นคนที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์คนที่ไม่มี إ ي م านต่ออัลลอฮ์สุบฮานะอูวัตตาอธิบายดีครับเอาต่อมากระเบียดที่เจ็ดสิบสองกอลูลันุ ثي رك على ما جاءنا من البيان ن والذي فطرنا فقض ا ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا ข้าว่าเราจะทำอย่างไรมาดูคำแปครับพวกมายากลทั้งหลายกล่าวว่าแลนุศิร ل ่ะเก ا ่ย ا กับอะไรมาบนาตตั้งแต่วันนี้ไปนะเราจะไม่ฝักไฟนะ หรือเราจะไม่นิยมชมชอบฟาโรอีกต่อไปแล้วเมื่อก่อนนี่ยเราเคยกราบฟาโรเมื่อก่อนนี้เราเชื่อว่าท่านเนี่ยให้ชีวิตให้อะไรนะให้เป็นให้ตายให้ริสกีแล้วก็เคยแจกรูปจะเวิตให้เรากราบนะวันนี้เราไม่เอาแล้วลั น, นุซิรอกาวันนี้เราไม่ฝากไฟท่านแล้ว วันนี้เราไรนะเราไม่นิยมชมชอบท่านแล้วเอาต่อมาครับอลามาจานามินันบบยินาตมากไปกว่าเมื่อก่อนนี้เคยเดี๋ยวนี้ไม่เอาแล้วเราเรารเราจะฝากไฟอะไรครับมาจานามินับยนาตหลักฐานที่ชัดแจ้งที่มูซาและฮารุนนำเอามาแสดงให้แก่เรา เราเชื่อแล้วเมื่อก่อนนี้เชื่อท่านเดี๋ยวนี้ฉันไม่เอาท่านแล้วฉันเชื่อใครเชื่อมุอิอีซัดที่นบีพามามาอธิบายมาแสดงในสนามซึ่งเป็นงูเนี่ยกืนงูตัวเล็กๆหมดฉันเชื่อคนที่เอาหลักฐานที่แจ่มชัดที่ชัดเจนเนี่ยมาแสดงฉันเชื่อใครเชื่ออัลลอฮ์เชื่อมูซาเชื่อฮารูแล้ว เพราะว่าอย่างนี้ใครใครเสียหน้าฟาโร่เสียหน้าประกาศนะถ้ามีมก่กูฟัวก็ประกาศดังๆฉันไม่เอาทัานแล้วนะโอ้โหแล้วเคยคนที่มีอำนาจเนี่ยพออำนาจมาร่วงลงไปนะโอ้โหเสียหน้าทั้งนั้นอำนาจเนี่ยมาหอมหัวนะเฉพาะดุญยานะเอาต่อมาครับวัน ล, ละี่ฟารนา และขอสาบานต่อพระผู้อภิบาล น, นะครับผู้อัลลอฮฺฟอตรอนาผู้ทรงบังเกิดเรามาเมื่อก่อนนี่คิดผิดนึกว่าฟาโรห์เป็นเจ้าของวิญญาณเดี๋ยวพอสู่ญวนลงไปเงยขึ้นมาเปลี่ยนแล้วอัลลอฮฺพระผู้อภิบาลเป็นผู้สร้างเรามาไม่ใช่สร้างเราเรียนเราสร้างชั้นฟ้าแผ่นดินดวงอาทิตย์ดวงจนันทร์กลางวันกลางคืน สรรพ ส, สิ่ง้ะหมดคล้าสร้างอัลลอฮ์สร้างตอนไห น, นตอนสูญอยู่ลงไปเงยขึ้นมาเห็นหมดเลยรู้เปล่าพวกเราวันนี้ที่ไม่เอาอัลลอฮ์เนี่ยนะที่มาอิมานต่ออัลลอฮ์เนี่ยนะพอตายปับ๊บเห็นหมดเลยนะเห็นอัลลอฮ์เห็นมาลายิกะเห็นนรกเห็นสวรรค์อุปนิสตรงไหนรู้ไหม อินนั al al mm ah um ne, right ้ล الذين قالوا ربنا الله وثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم تعادونه แปลว่านี่นเราเป็นผู้อะไรนะดูแลรับผิดชอบเป็นเพื่อนกับท่านทั้งดุญยาแลอะคิรัเห็นมาลกะหลังตายกอนตายมองไม่เห็นมาลกะ มาเลกาองเดียวกันนี่แหละที่อยู่กับเราบนดุญญนยาดูแลเราปกป้องเรามองไม่เห็นแต่พอตายภาพเห็นมาลกานึกถึงอัลลอฮ์เลยนึกถึงสวรรค์นึกถึงนรกอัลลอ์นี่มีจริงทั้งหมดนะระบนว่าไงรไมย่าโอ้อะไรนะบีมามอะไร่ไรไราฉันเสียดายเหลือเกินถ้าฉันได้เป็นมุสลิมก็จะดีรูป้ป้ามายะวั ด, ดุลละดีนะก็เพราะรู้ลาวกานุ มุสลิมีบ่อยครั้งเหลือเกินพี่น้องเราที่นอนอยู่ในกูโบพี่น้องบนถึงอิสลามบนถึง บ, บนถึงอีมานบนถึงอัลลอ์บนถึงราสูลบนถึงกูอานถ้าฉันได้อีมานต่ออัลลอฮ์ก่อนตายก็จะดีเสียนี้กอะไรเห็นของพวกฟาโรที่อีมานต้องเห็นตอนสู่อยู่อัลลอห์เห็นหมดเลยอ่ะแต่พวกเราเนี่ยเห็นตอนตายนะครับ วันลาซีฟาฟอร์นาและขอสาบานต่อพระผู้อภิบาลผู้ทรงได้บังเกิดเรามาเป็นคนนี่เราเชื่ออัลลอฮ์แล้วนะและฟักดีมาอันตะกอดดังนั้นฟาโรเอ๋ยทำจงทำตามที่ท่านต้องการเถอะจะทำอะไรก็เชิญทำเถอะ ทำไมกล้าพูดเลยไปน้องเพราะอีหมานั้นเข้าไปรดาหัวใจแล้วพออีหมานเข้าปั๊บมนฟาโรจะตัดมือจากแขนเชิญจะเอาฉันไปแขวนบนตึงบนต้นอินฟารัปเชิญฉันไม่แคร์แล้วคุณทําแค่อย่างเดียก็ทําทให้ฉันตายตายแล้วฉันเข้าอยู่กับอัลลอฮ์สุภานุธรรมมันยิ่งใหญ่กว่าคนหลายเท่านะเห็นยังครับนั่นฟารยาพยาฟาโรเองน่ะพูดใช่ไหมยาอัลลอฮ์สร้างบ้านในฉันหลังหนึ่งในสวนสวรรค์ อยู่กับท่านนั่นแหละเอาล็อให้เอาวิญญาณออกจากร่างเลยขอยหินถูกร่างปั๊บเจ็บหรือไม่เจ็บไม่เจ็บแต่ฟาโรตกนรกไม่ตายอยู่ไปตลอดไม่มีวันหมดอายุตายก็ไม่ตายแล้วก็ทรมานในนรกสามภรรยาตัวเองน่ถูกเหินตายมันก็จอยคาตายคาจบใช่มะแต่ฟาโรลงนรก อยู่ไปตลอดเลยนักกับบุญญานี่มารู้ว่ากี่เท่าอัลลอฮ์ให้เห็นหมดเลยคนที่อิมานก็ อ, อัลลอฮ์สุภานะอบาทะลแล้วลต่อมาครับประชาชนพูดแบบไงนะฟาโร่ฟักตุดีดังนั้นท่านฟาโร่เอ๋ยทาตามที่ท่านต้องการเถอะจะกร ะ, ะ, ะทำอะไรก็ฟักดีดตัดสินตามที่คุณต้องการ อินนามาตกดีฮาจิหิลาติดุลยาแทจิงฟาโรท่านกระทำได้ในชีวิตแห่งโลกนี้เท่านั้นอำนาจของคุณมีแค่โลกนี้เท่านั้นอำนาจของคืนไม่ถึงโลกอาคิโร อ, อำนาจของคุณไม่ถึงกูโบอำนาจของคุณไม่ถึงยาวุลติยามะอำนาจคุณแค่โลกนี้เท่านั้นพอคนตายคุณหมดหมดแล้ว ดูแลอะไรเขาไม่ได้แล้วดูแลคนดวงยาได้ไหมไม่ได้ชีวิตของคุณอำนาจของคุณแค่โลกดุญยาที่ต้องการจะอธิบายว่าคนที่หลงดญญนะลงยญญาก็หาสี่อย่างนั่นแหละหนึ่งเงินสองชื่อเสียงสาเกียรติยศสี่ตำแหน่งถ้าคนถ้ามีสองโลกเนี่ย เขาไม่หลงสีอย่างแท้เขาหลงได้หลงอีหมานหลงตักวันหลงซอบัดโอ้โหงานเต็มมาเลยต้องนำมาตา้องอ่านกัมภีรต้องซิกษาเรื่องลอต้องให้อภยัยงานของคนที่อีหมานนั้นเยอะไปหมดแต่คนที่ไม่อีหมาตนต่ออัลลอฮ์มีสี่ข้อเจ่านั้นเดียกาใจนะมีอะไรบ้างเงินเกติกดยศตำแหน่งชื่เอเสียงนี่เป็นตัวแทนของโลกดุนยาแต่คนที่ไม่เอาดุนยาคือเอาดุนยานะเอาดุนยา แต่หัวใจของเราผูกพันกับอาคีรอกอามันเต็มเลยก็ต้องทำนำมาศ ต, ตื่นกลางคืนให้อาภายัยสงสารเมตตานี่กุณบานจะมาอีแล้วคนที่หลงดุนยากู้ไม่หายทำยังไงทาทุกปีทำปีเดียวก็พอแต่พอเข้าใจโซนา่าต้องทำทุกปีต้องชื้ดทุกปีต้องบริจาคเนื้อให้กับคนจนทุกปีจนกว่าเราจะตายนะะอัลฮัมดุลิละละตลองว่า ชีวิตของฟาโร่เนี่ยนะคุณมีอำนาจตัดสินใครทำลายใครว่าใครก็ได้นะครับคุณมีแค่ชีวิตบนโลกดุนยาเท่านั้นอห้ามดุลิเล่ไปน้องทั้งหลายเอาต่อมาครับตกลงว่าอำนาจของฟาโร่มีจำกัดใช่ไหมแต่ของอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่เลยสิฟัดอัลลอฮ์มื่เท่าไรเก้าสิบเก้าพนามนั่นแหละอำนาจของอัลลอฮ์ทั้งหมดนะสิ่งที่แน่คืออัลลอฮ์ไม่นอนและอัลลอฮ์ไม่ง่วงนอนนะครับ อัลลอฮ์ไม่มีภรรยาไม่มีลูกนะแต่พวกเราเนี่ยเหงาและต้องมีภรรยาและมีลูกแก้แรกแก่แหกเหงาเอาต่อมาแก้ปัญญาที่เจ็ดสนบสามอินอัลมันบิรับบินาลียะฟิรอลนาขอตไยนาวะมาอัคราเตนาอัลัย والله خير وأبقى الله أكبر คนที่มีอม م า ن ต่ออนนัลลอฮนะ์นึกถึงความผิดของตัวเองนี่สอนพวกเราด้วยนะนึกถึงความผิดของตัวเองออามาดูว่าไงครับอินนะามนนะิรบบินาะแท้จริงเราได้ศรัทธา อินนาอามนาแท้จริงเราได้ศรัทธาบิรบบีนาในพระผู้อาภิบาลของเราที่เราอิมานต่ออัลลอ์เนี่ยเพื่ออะไรรู้ไหมลิน่าเิร์ฟีรลานาเพื่อพระองค์จะได้ทรงโปรดอภัยฟาโรห์อภัยให้คนได้ไหมไม่ได้ไม่เคยอภัยให้ใครเลยแม้แต่ภรรยาตัวเองก็ไม่ให้อาภัย แต่อัลลอแ์เราใจดีใจกว้างขอเลยอย่าอัลลอ์ฉันอีมานต่อท่านเพราะเราต้องการการอภัยโทษจากท่านขอต่อยานะความผิดของพวกเราเห็นไหมปีปน้องทําไม่รู้ว่าอาดีตที่ผ่านมาณน่ผิดเพราะอีมานาสอนอ่ะวันนี้เราที่นำมาน ก, กันมาไหนไปน้องทำความดีกันมาห0สิบปีหกสิบปีเนี่ย อย่าทนงตนวัวเอาลอรับแล้วนะอย่านึกนะตนนึกอย่างนี้กลัวว่าอัลลอฮ์จะไม่รับความดีที่ทําจะได้ขอตัวต่อที่อัลลอฮ์รับความดีของฉันที่ทํามาในฮาดีด้วยแล้วก็ฉันจะประคองตัวของฉันจนกว่าฉันจะตายต้องนึกตรงนี้ตลอดเวลานะครับฉะนั้นทํำอะไรผิดๆตรงอะไรนะต้องสารภาพผิดต่ออัลลอฮ์ นะครับขอดูอาราตอรอให้อฟัยยาโทษแต่ว็นึกถึงความผิดของตัวเองนะครับแต่คนกาเฟสนึกไหยไม่นึกพราะคนโลกเดียวนึกกันนะอยากได้สียาวนั้นแหละเอาต่อมาครับวามาอะโครจานาอัยฮิมินาเซฮารแล้วก็เรื่องมายากลที่ฟิรอูนได้บังคับเราให้แสดงนั่นก็เป็นความผิดด้วยอาราจะ ท่านนี่นะฟาโร่เนี่ยบังคับฉันให้สแสดงมายากลเรื่องมายากรเนี่ยมาเรื่องฮารอมทั้งหมดแตฉันต้องทําเพราะว่าฟาโร่บังคับฉันให้ทำํำเราจะอภัยโทษให้ฉันด้วยเห็นยังครับรพีพ่น้องพอมี إ ي م านปั๊บในรู้เลยการสแสดงมายากลเป็นของฮารอมต่อต้านนาบีเป็นของฮารอมขัดขวางนาบีเป็นของฮารอมไปน้อง แล้วก็ทําอะไรผิดๆมาฮารอมทั้งหมดอัลลอฮ์ห้ามทั้งหมดอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้ฉันด้วยนี่สอนใจเราวันนี้ใครที่ขวางสุนนะนาบีผิษต่อบาตัวจาอัสตัคบรุลลอห์หวังคนประกาศแม้สุนนะนบีเข้ามัสยิดใครที่เป็นสุนนะเรียนสุนนะตายมาให้ฟังในกูโบเปลี่ยนให้หมดอัสตัคบรุลลอห์ขนาดนี้กลุ่มฟาโร่นี่ยยังอัสตัคบรุลลอห์ไม่เห็นเหรอ ฉันขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ในความผิดที่ฉันได้ขวางนาบีฮารูนนบีมูซาที่ฉันได้อะไรนแสดงมายากลแข่งกับมัจิจาตของอลัลลอฮ์เนี่ยเขาสำนึกตัวเ ข, ข, ขาสารภาพผิดต่ออลัลลอพ์สุดาตาาแต่พวกเราล้วก็คิดตบเมียว่าเตะภรรยามีเปล่ามีตบบ้าตัวให้หมดแล้วก็มีเงินมีทองให้เมียชายมีเปล่ามีมหาเอง หน้าที่ของสามีต้องรับผิดชอบดูแลภรรยาอานอน บ, บีสอนยงไงนะที่อยู่อาหารเสื้อผ้าอย่าตบตีอย่าด่าภรรยาทำหมดเลยจะเหลืออะไรอ่ะชีวิตเรามีกันนายก็ทำผิดเรื่องเขายังขอสารภาพต่ออัลลอฮสุภาตุตา น, น า, าเลยเอาต่อมาครับว่ามาอะโครตนาอะไลฮิเมนะเซหดีเรื่องมายากลที่ท่าน ฟาโร่ได้บังคับให้เราแสดงนะครับนั่นก็เป็นความผิดอลัลลอฮ์จะอภัยโทษให้ฉันด้วยวัล ล, ลอฮ์คอยวะอับกอและอลัลลอฮ์เป็นผู้ทรงดีเลิศเห็นไหมยกย่องอลัลลอฮ์แล้วอลัลลอฮ์เป็นผู้ที่ดีเลิศแล้วก็วะอับกอเป็นผู้ทรงยืนยงยิ่งอยู่ตลอดไปยิ่งยานชาวนาไม่มีช่วนิรันดร์เดือออัลลอฮ์มีไปตลอด นะครับอัลฮัมดุลิลลางทั้งหลายนี่แลลวครับพี่น้องดีหมกหมดเลยนะกูรอ่านแต่ละอายะห์ที่อลัลลอฮ์ให้เรามานะครับพี่น้องในตัฟซิดอธิบายบอกว่าฟาโรเนี่นะบังคับให้พวกบันิอิสราอลนะมาสอนวิชาไซยาศาสตร์ให้กับประชาชนถ้าไม่สอนวจัด ก, การบางคนร้องไห้สำนึกตัวต่อรอฉันทำผิดไปแล้วอย่าอัลลอ์ ท่านพี่น้องที่เป็นหมอดูทั้งหลายนะั้เลิกให้หมดพี่น้องมุสลิมเขาอะดูลายมือนี่ถ้าจะดูลายมือให้ดูอย่างนี้มือมือขวานะั้นมีเลขสิบแปดมือซ้ายมีเลขแปดสิบเอ็ดเลขภาษาอรับนะแปดกับหนึ่งแล้วก็มือขวาหนึ่งหนึ่งหนึ่งกับแปดเป็นเท่าไรบวกกันเป็นเก้าสิบเก้าพันามของใครของ Allah. อัลลอฮฺอัสซัมมาอุลลัฟุสนามันอยู่ตรงนี้ต่างหากเลยไปดูอะไรผิดวกว่านี้ ท็นี่ยก็เสียดแล้วบาปแล้วนะครับเอาต่อมาอายสุดท้ายอินน้าูไมยะติรับบหูมุจลีมะ فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا إنه مايا ติรับบหูมุจลีมะ فإن ََِّ له َُ جهنم َََّ لا َ يموت َُُ فيها َِ ولا ََ يحيا ََْอรหับอัลกุบอัยานี่ดีมากเลยแปลว่าไงครับอินน่าหูแท้จริงก็คือไมยะติรับบาหูผู้ใดที่มายังอัลลอฮ์คำว่ามายังอัลลอฮ์ตาย อ้าอัลลอฮ์ใช้ภาษาดีมาใครที่มายังอัลลอฮ์ก็คือเขาตายใครที่ตายก็คือกลับไปหาอัลลอฮ์แล้วเป็นไงครับมุจญารีมันกลับไปหาผู้อวยบาตรของเขาเป็นผู้ทําผิดเป็นผู้ทําผิดคือทําชั่วไม่เชื่อไม่อิมานต่ออัลลอฮ์ไม่อีมานต่ อ, อราซูลไม่อิมานต่วอต ว, วันอาคิรา์ในหัวใจโวชาวไม่มีเลย ไม่อิมาต่กกอกฎกฏกฎด้านของอัลลอฮ์ไม่มีอามัที่ซอและไม่มีนมาตไม่มีจาการไม่มีหัจญไม่มีถือสินอดปฏิเสธคำสั่งของอัลลอ์ทั้งหมดก็เรียกว่าตายแบบคนเลวฟาโรกเหมือนกันนั่นนะตายแบบไหนครับแบบเลวสุดๆนะพอฆ่าภรรยาตัวเองเราก็ตัดมือตัดแขนประชาชนเราจับประชาชนตรึงบนต้นอะไรนะอินทรพาลามจนกระทั่งตายค เองทรมานคนบุตเท่าไรนะอลัลลอไม่ลืมนะถ้าเองกลับไปหาอาลัลลอฮฺมาใดเป็นไงครับฟาอินนาะแล้วคนที่กลับไปหาอาลัลลอแบบคนชั่วเ็าเรียกว่ามุจรินอ่ามุจิรินคือคนชั่วคนบาปคนเลวทรมาคนคนฆ่าคนท อ, อัลลอตัดมือตัดขาคนเอาคนไปตึงบูร่ไหมต้อนอินทราลาม่ท่านก็ทำไมอะ่ะ ไม่ให้อาหารเขากดขีเขาเพื่ออำนาจตัวเองอะ่ะเป็นไงครับฟาอินน่าลหูยะฮันนดังนั้นสำหรับพวกเขาในวันปรโลกคือยะฮันนำยะฮันนำแปลว่าอะไร <c oughs> ไฟนารกเอาละอัลลออยู่บนดุนยานี่ตั้ง8ปดสิบปีตายแล้วตกนรกรู้เปล่า พออยู่ในนรกนะมองโลกดุนยาแค่สองสามนาทีสองสามชั่วโมงเองจะดดยสอิอัลลอแค่สองสามชั่วโมงตัดสินตัวเองให้ตกนรกทำทำไมแค่สองสามชั่วโมงบาปบาปบาปบาปบาปแล้วอยู่นรกตรั้งนานอัลลอไม่มีโอกาสได้ออกแล้วเอาต่อมาครับฟาอินนาลาหูญะฮันนำดังนั้นสำหรับพวกเขาในวันปรดโลกคือนรก อยู่ในนรกอยู่แบบไหนครับลายมูตูฟิฮะเขาไม่เป็นเขาไม่ตายลายมูดอยู่ไปแบบไม่ตายอ่ะแล้วก็วาลายฮะแล้วก็ไม่เป็นด้วยสลุมสลืออยู่อย่างเี้ยจะระวังตายก็เป็นนั่นแหละอัลลอฮอัลอมันทรมากนดไหนในตัฟฟิกอธิบายนะจะบายอย่างงี้ยอยู่ในนรก จนกระทั่งดำเหมือนฐานไม่แล้วไม่อีกไม่แล้วไม่อีกดำเหมือนฐานโอ้โำเหมือนฐานตัวเราเองเนี่ยดำเหมือนฐานเนี่ยเพราะอะไรนะหัวใจที่ศกกรปกหัวใจที่แอนตี้อัลลอฮ์หัวใจที่ไม่อิมานตัวอัลลอฮ์ตกนรกถ้าอัลลอฮ์จะให้ถ้าบาปมันหมดนน เ, บบนมมนเนี่ยนะเกับคนมุสลิมเนี่ยบาปหมดวันหนึ่งนะอัลลอฮ์ก็เอาออกจากนรก แล้วก็มาเนี่ยเอาน้ําในสวนสวรรค์ก็อเอาน้ําเนี่ยรดคนนี้หน่อยเพราะเอาน้ำลดเนี่ยผขาต้องค่อยๆเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วก็เข้าอยู่ใ น, นสวรรค์พอร อ, อมันไปร อ, อไปน้องแค่อ่านตรงนี้ละมือมือสั่นไปหมดแล้วกลัวเ น, นี่ยเอา้ายาสุดทา้ายนะครับอิหนนาฮูมายะติรบบาหูโมตยาลิมาแท้จริงผู้ใดก็ตามที่ตายแล้วกลับไปหาอัลลอฮ์ในสภาพของผู้ทําผิดทําชั่ว ฟะอินนาลหูยห์นัมดังนั้นสำหรับพวกเขาคือนรกลายาูตุฟีฮาววลายาห์เราอยู่มันในนั่นตลอดไปไปน้องไม่เป็นแล้วก็ไม่ตายด้วยฟาโรมีอำนาจแค่ดุนยาอำนาจจำกัดแล้วไปเชื่อฟาโรทำไมแต่ทำไมไม่เชื่ออัลลอ์เพราะอัลลอ์นั้นมีนรกมีสวรรค์ให้แล้วมีคุมโลกใบนี้ คุมคนตายด้วยหลังตายให้ไม่ให้เน่าไม่ให้เปือยอัลลอฮ์คุมหมดเลยฟื้นขึ้นมาอัลลอฮ์ก็ดูแลอีกจัดสวรรค์จัดนรกง่ายฟาโร่อำนาจจำกัดของอัลลอฮ์อุกูอัลกุบัตคาสุก้าพานาแค่นั้นอีมานต่ออัลลอฮ์ดีกว่าเชื่ออัลลอฮ์ดีกว่าผ่านนาบี ม, มุฮัมมัดนะครับอย่าทำชั่วเล็กอย่าทำบิดาตัวตะกุนตัวเกลเลิกให้หมดนะ่ะมันช่วยอะไรไม่ได้จริงๆถ้าช่วยได้นะก็คงจะดีนะ คุยไม่ได้จริงๆถูกหลอกทั้งหมดแลแหละพี่น้องอ้าวสรุปก็คือว่าคนที่จะไปสวรรค์ก็คือคนที่เชื่ออัลลอฮ์และปฏิบัติตามรลัศูนย์คนที่ขวางเชื่ออัลลอ์แต่ขวางศูนา์หนานบีโอกาสตกนรกสูงมากนะครับสุภานะับล่าฮุมะบิฮัมดิขาชวะเละอิลลาฮอิลลาอันตะอัสตัคชุกัวาตูบอิไลมละม่อะลัยกุ้มวาลัคมาตุลลอฮ์บะาลกตุ